หลวงพอ่อเราจึงพูดกับแกว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อจะให้ที่ตอบแบบนี้เรเคยทราบเรื่องในพระสูตรอยู่บ้างจึงได้พูดเป็นทีและเล่นว่าขอให้ตั้งใจทำจิตให้ดีในวันนี้ฉันจะอธิษฐานอารตนาให้เธ้าปาเอารูกมาให้เมื่อแกนั่งสมาธิเลิกแล้วแกก็บอกว่ารู้สึกสบายใจดีใจเคยนั่งมาหลายหนไม่เหมือนวันนี้ จึงบอกว่านั่นจะสำเร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นได้เ อ, อกเดินทางจากจังหวัดราชบุรีโดยทางรถไฟไปจังหวัดประจวบกิริขันธ์คุณทัศนวิภาคเป็นเสดติดตามไปได้ไปพักอยู่ที่ปาชาข้างสถานีปานบุรีหนึ่งคืนเื่นเช้าให้คุณทัศไปติดต่อซื้อตั๋วรถไฟคุณทัศมีเงินอยู่120ยบาทสมัยหลังสงครามใช้ธนบัตรที่พิม์จากอเมริกา ใบละหนึ่งรอยบาทและใบละยี่สิบาทเหมือนกันได้ตัวมาแล้วใบละหนึ่งร้อยหายไปเพราะเข้าใจว่าใบละหนึ่งร้อยเป็นใบละยี่สิบบาทจึงได้ส่งให้คนขายตัวไปคุณทัศน์จะกลับไปที่สถานีอีกเพื่อทวงคืนแต่ได้พูดหามว่าเราโง่อย่าไปอ้ายเขาคุณทัศน์มีความเสียใจที่จะจะกลับบ้านจึงได้พูดปลอบใจไว้ ประชาทิ่พักนี้อยู่บนเนินสูงเป็นป่าเขาดินเ่า ว, ว่าที่นั่นคนอยู่ไม่ได้ปีดุกได้พักอยู่หนึ่งคืนก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อันใดนอจากนั้นได้ออกเดินทางโดยรถไฟจนถึงจังหวัดสุรา ธ, ธานีได้พักอยู่ที่เนินดินเขาสูงข้างสถานีสุรา ธ, ธานีแต่เวลาค่าได้มีคนมาสนทนาด้วยได้พบคนสําคัญสองคน คือนายพ่วงและนายภาพคนทั้งสองได้เข้ามาหาและเปิดเผยความลับให้ฟังว่าม่านผมอยู่จังหวัดนครปฐมแก่ก่อนเคยเป็นคนร้ายชั้นเสือเคยฆ่าคนตายลายศพครั้งสุดท้ายได้ฆ่ายญ่แก่คนหนึ่งทายค่าที่เพราะมีคนบอกว่ายกยแก่คนนี้มีเงินสี่0ันบาทอยู่ใต้หมนจึงได้ลอบขึ้นไปฟันคอยาแก่คนใต้หมอนได้เงินเพียงสี่สิบบาท ตั้งแต่วันนั้นมาก็ใจเสียคิดเลิกทำการจุรรคำถึงขนาดก็ยังรู้สึกเสียวลูกปืนขอให้หลวงพ่อช่วยหาเครื่องป้องกันให้ด้วยจึงพูดว่าถ้าโยมเว้นได้จริงให้ของดีจะไม่ให้ตายด้วยลูกปืนแต่ก็ปฏิญาสาบานว่าผมเลิกแน่จึงได้เขียนคาถาให้แกภาวนาประจำตัวพอวันรุ่งขึ้นแกก็มาหาอีก แล้วเล่า ว, ว่าเวลานี้น้องชายกําลังต่อสู้กับตํารวจอยู่ที่อําเภอนอกเขตจังหวัดมีผับพวกเก้าคนที่ตํารวจจับตัวไว้ได้ก็มีแต่ขณะนี้ยังจับตัวน้องชายไม่ได้เรื่องนี้เกรงจะเกี่ยวพันมาถึงตัวด้วยใช้ทําอย่างไรดีจึงได้แนะนำว่าให้โยมรีบไปแจ้งความที่สถานีตํารวจ โ, โดยด่วนแล้วให้นําเจ้าหน้าที่ตํารวจออกติดตาม แกได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างต่อมาวันหลังปรากฏว่าพวกพนได้ยอมจำนนแกตำรวจทั้งหมดนายพ่วงเป็นผู้ประกันตัวน้องชายออกมาได้ในที่สุดเมื่อคดีถึงศาลพวกปนรับสารภาพหมดทุกคนสารตัดสินที่จำคุกแต่เพราะรับสารภาพจึงลดโทษให้เกิงหนึ่งการที่มาพักอยู่ที่นี่ไม่สู้สบายใจนะัก มักจะมีคนไม่ดีมาติดต อ, อยเสมอที่ทำภัยร้วนแต่เป็นเรื่องดีถึงกันนั้นก็ยังหวาดว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดเมื่อเราช่วยโจรจึงรีบออกเดินทางต่อไปอยังเอเภอทุ่งสงแล้วไปนวส ก, การพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้คุณทัพได้เขาราคกรุงเทพเขาได้ซื้อตัวรถไฟให้แล้วส่งคือรถไฟ ให้เดินทางไปคนเดียวตอนเย็นได้เดินทางไปถึงองค์พระเดีจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พักอยู่ในวัดธรมหาธาตุมีผู้คนเริ่อมใส่ในการปฏิบัติพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันและอยู่ที่วัดนี้ก็สนใจจึงได้อยู่อบรมญาติโยมพระเนรพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดสงขลาเมื่อถึงอำเภอหัดใหได้พักอยู่ที่ป่าช้าปักดิน ซึ่งเป็นที่ล็อกลุงนังและเงียบสงดพักอยู่ไม่กี่วันพระมาหาแก้วเพื่อนของเราได้มาติดตามพบกันตรงนั้นให้พักอยู่พอสมควรและก็ได้เดินทางวิเว้ไปตามตำบลต่างๆในปีนี้ได้อยู่จมัสาที่วัดขวรนมีดได้ทำการอบรมพระเณรญาตโยมทาง จ, จิตใจแทบทุกคืนมีการแสดงธรรมะเกืบทุคืน กถึงเสร็จออกพรรษาแล้วได้เดินทางกลับมาพักที่เขาควรจงซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ของเลียนอยู่มาวันหนึ่งได้เห็นญาติโยมหลั่งไหลกันมามากมายเป็นเวลาหลายวันจึงได้สอบถามดูได้ความบ้าเขาจะมาดูงูใหญ่รับผู้หญิงที่เขาควรจงเขาเล่ากันว่ามีงูใหญ่งอนแดงรับผู้หญิงไว้บนยอดเขาไม่ถึงเวลาไม่ยอมปล่อย เมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวแปลประหลาดอย่างนี้จึงพากันแตกตื่นมาดูหลกท่านอยู่ในบริเวณใกล้ที่เราพักอยู่แต่ในหมู่บ้านที่เราไปพักอยู่เม่ปรากฏว่ามีใครได้ยินข่าวนี้เป็นเรื่องที่นาขบขันอย่างยิ่งพักอยู่ที่นี่พอสมควรแล้วไม่ออกเดินทางไปพักบ้านทุ่งโพลตลาดคองแงะและอำเภอสะเดาเวลานั้นผู้กํากับกองสถานีตํารวจอำเภอสระเดา ถูกโจนจีนยิงตายเนื่องในการต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์ขณะที่ไปพักอยู่นั้นตอนกลางวันมีคนมาหามากแต่พอค่ำลงก็ได้พากันกลับเขาบอกว่ากลัวพวกคอมมิวนิสต์มาพ้นจึงได้พูดว่าขอให้โยมพากันมาฟังเทศเถิดรับรองว่าคืนนี้ไม่มีพอตกค่าเวลาประมาณสองทุ่มมีคนมาเต็มโบสถ์ถึงใเทศอบรมญาติโยม วันหลังก็กลับไปไ ป, ป่าช้าปักปิ่มอำเภอหันใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่เคยพักมาก่อนเมื่อกลับมาพักครั้งนี้ชา่างเพลหัดใหญ่พากันมาอบรมศิลธรรมจิตใจและฟังเทศทุกคืนนอกจากนี้ได้เดินทางกลับมาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแวะเยี่ยมสำนักปฏิบัติที่อำเภอร่อนขุยปูนและเดินทางต่อไปพักที่อำเภอทุ่งสงนายสังเวชสมียนแผนกศึกษาธิการ ได้เป็นสิทติดตามมาด้วยได้ไปพักอยู่ที่ถ้ำทะลุพอสมควรแล้วออกเดินทางต่อไปอยังจังหวัดชุมพรจับรถไฟจากจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดเพชรบุรีถึงตอนนี้ได้ทราบว่าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้มีจดหมายติดตามให้กลับจึงได้เดินทางต่อไปจังหวัดราชบุรีทักที่วัดประชุมนารีหลวงอัตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและในใอำเภอเมือง ได้ไปตามตัวให้กลับกรุงเทพเพราะสมเด็จวัดบรมต้องการพบระหวางที่พักอยู่ที่วัดประชุมนารีไดมีพระองค์หนึ่งถูกจับมาพักอยู่ที่เขาแก่นจันทร์มีหญิงนุ่งขาวสี่ห้าคนทราบว่ามาจากบ้านโปงเขาอยากมาพบเราแต่ไม่กล้าขึ้นมาหาเพราะพระคำลังมีคดีไม่ใช่เรื่องของตัวแต่หน้าเล่าคือข่าวเล่าว่าพระองค์นั้นบอกว่า นั่งเทศมากภาวนามากเมื่อยขาขอให้ชีนวดให้ฉีขนวดให้จริงๆเลยเกิดเหตสืบสวนดูแล้วเป็นพระไม่มีไปสุทธิทราบว่าทางการได้จับศึกไประหว่างที่พักอยู่ที่ลาดบุรีแม่สมองได้ออกมาหาและบอกว่าขันตั้งขันได้สองเดือนกว่าแล้วหลวงพ่อเขาพูดต่อไปว่าขอถวายลูกแก่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้ เพราะเป็นลูกหลวงพ่อไม่ใช่ลูกคุณหลวงสังเกตว่าเขาพูดจริงๆงจังๆแต่เล่าเฉยแต่แปลกใจว่าไม่เคยมีบุตรมาถึงส5ปีแล้วทำไมเป็นได้อย่างนั้นเพราะจากนั้นได้เดินทางกลับขอนแก่นพักที่วัดปรมนิวาสพอดีสมเด็จอาภาพาจึงได้พยาบาลท่านพอสมควรระหว่างพักอยู่ที่วัดบรมนิวานี้ ได้มีผู้มาฝึกสมาธิกันมากมีพวกธนบรีพระนคแะรแดนลบบุรีวันหนึ่งปรากฏเหตุการณ์แปลมีหญิงคนหนึ่งชื่อแม่ขอมคนลบบุรีได้นำอัปทานมาถวายสามองค์จึงได้ถามแกว่าเอามาจากไหนได้รับตอบว่าได้อรัตนาขอจากพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนหัวนอนของท่านพ่อนั่นเองพระพุทธรูปองนี้เป็นพระได้มาจากเชียงตรง สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเล่มพระองคนายอุดมมีเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายอย่างเกี่ยวกับพระพุธรูปองนี้ตามที่นายอุดมได้เล่าให้ฟังตอนนี้จะขอย้อนกล่าวถึงประวัติพระพุธรูปอนี้แต่เดิมมานายอุดมเป็นคนไม่เชื่อพระเป็นข้าราชการทํางานแผนกสื่อสารเกี่ยวกับวิทยุครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สงได้ติดตามกองทัพไทยในเมืองเชิงตุง มีพลโทรปพันธ์เป็นแม่ทัพวันหนึ่งนายอุดมได้ไปพักอยู่ที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งกับพวกพลทหารเวลาค่าได้เองหลังลงนอนแม้ไม่ทันหลับก็ได้เห็นแสงสว่างพุ่งจากหัวนอนนายอุดมจึงได้ลุกขึ้นตรวจดู ว, ว่ามีอะไรธรรมดาวิสัยของนายอุดมขณะนั้นเมื่อถึงจะได้อยู่ใกลพ้พระก็ไม่เคยกราบายวันนั้นเกิดแตปกประลามขึ้นในใจ ก็ยืดขอรูบนท่านพระได้เห็นพระพุทธ ร, รูปสำมฤิ์สีดำองค์หนึ่งสูงหนึ่งครึบเศกหน้าตักกว้างประมาณสามนิ้วเศษดำใสเป็นเงาเหมือนมีคนคับตกวันเมื่อเห็นเะนั้นก็รีบช่วยพระพุทธรูปองค์นั้นใส่กระเป๋าตั้งแต่ในอุดมได้พระองค์นี้ไว้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมากมีคนนิยมช่วยเหลือจักจะเป็นผู้มีเงินใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือย คือได้เงินจากชาวบ้านในถิ่นนั้นนั่นเองเรามาเมื่อสงครามโทกครั้งที่สองได้สงบลงนายอุดมได้เดินทางกลับได้มาพักอยู่ฟังแม่จันในคืนวันนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ได้เข้าฝันบอกกับนายอุดมว่าให้ดมมึงจะเอากูข้ามไปกูไม่ไปกับมึงในอุดมก็ไม่สนใจคิดว่าพระโลหะจะมีอานาจอะไรในที่สุด ได้นำาพบารุของค์นั้นกลับไปจังหวัดจันทบุรีตัวเองได้ลาออกจากราชการไปทำการค้าขายในระหว่างนี้ดูหน้านายอุดมดำลงพ้อมลงฐานะก็ฝืดเคืองลงทุกทีอยู่มาวันหนึ่งลูกเมียเกิดเจ็บป่วยไปต้อตามกันรักษาอย่างไรก็ไม่หายหลวงพ่อได้มาเข้าฝันอีกว่ากูไม่ยินดีอยู่กับมึง มึงต้องเอากูไปส่งที่เขาของกูพอดีปีนั้นเรากําลังออกทุ่งดงไปจังหวัดตาจีนบุรีพักอยู่ที่เขาชะ ก, กันประมาณเดือนเมษายนได้ออกเดินทางข้ามดงทะลุถึงจังหวัดจันทบุรีแม่อุดมทราบข่าววิ่งไปหาพูดว่าผมแย่ลวงพ่อลูกเจ็บเมียเจ็บยากจนอบุตรรูปเข้าฝันว่าให้นำกลับไปส่งที่เดิมให้ผมทําอย่างไรดี จึงตอบว่าหลวงพ่อท่านอยู่ป่าชอบไิเวกเอามาไว้กับเราก็ได้ในอุดมจึงนำพระพุทธรูปองค์นั้นมาให้ไว้แต่จะฝากหรือถวายไม่ทราบจัดก็ได้เก็บและบูชาตามธรรมดานับตั้งแต่บัดนั้นมาอาการปร่วยของลูกมีในอุดมก็หายหมดในอุดมจึงได้เดินทางมาอยู่จังหวัดพนักนตั้งแต่ปีพศ2485 เรื่องราวเกี่ยวแก่พระพุทธรูปองนี้ยังมีแต่ประหลาดอีกหลายอย่างแต่ขอเล่าย่อๆไปเพียงเท่านี้ก่อนต่อมาก็นึกสงสัยลังเลในเรื่องพระพรมาาตุว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่เคยสนใจมาเลยตั้งแต่บทแต่ก็ได้รับไว้จากแม่ขมและเก็บไว้บูชาการ่อมาได้ทราบว่าแม่ขมได้พระพรมทธาตุอีกแต่พระพุทธรูปองนี้ เวลานั้นได้นำมาฝากไว้ที่วัดป ร, รมนิวาสกุฏิลามแคส่วนเราได้กราบลาสมเด็จเดินทางไปจังหวัดรบบรุรีปีนั้นได้ทำงานวิสาขบูชาที่วัดมณีโชระคันในวันพฤหัสบดีกลางเดือนหในวันนั้นได้คิดขึ้นในใจว่าพระบระมธาตุนี้ถ้าไม่ได้เห็นกับตาไม่ยอมเชื่อเพราะจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่ทราบ จึงได้ตั้งสัตยาธิฐานนั่งสมาธิตลอดสว่างละได้จัดตั้งผานไวยไสผานโดยทำการอารัธนาดังนี้หนึ่งขออันเชิญพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีธาตุหูตาจมูกปากอันเป็นบ่อกเกิดของรัศมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีความจริงขอให้สเสด็จมาในสถานที่บูชาในคืนนี้ 2. ขออัญเชิญพระธาตุของ พระสารีบุตรซึ่งเป็นท้าสําคัญองค์หนึ่งสาขออนันเชิญถาธาตุของพระโมคคัลลาซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์เสมอพระพุทธองค์สี่ขออนันเชิญถาธาตุของพระชินพีซึ่งเป็นผู้มีเมตตาจะไปไหนปลอดภัยทุกเมื่อพระธาตุทั้งหลายเหล่านี้ขอจงมาปรากฏถ้ามีความจริงถ้าไม่เห็นปรากฏในคืนนี้ถาธาตุที่เขาถวายมา ก็จะแจกจ่ายให้คนอื่นไปให้หมดนี่คือวันนั้นได้นั่งปดนอนอยู่ตลอดรุ่งเวลาประมาณตีสี่ได้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจมีแสงสว่างแดงๆในวูป่าเป็นตรงที่ตั้งผ่านบูชาพอดีรุ่งสว่างก็ได้ปรากฏพระธาตุต่างๆมีอยู่ทุกภาชนะสถานที่นั้นนับตั้งแต่เวลาย่ำคำจนกระทั่งสว่างได้ใส่กุญแจปิดมิด ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้เลยตัวเราเองก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในที่นั้นฉะนั้นจึงเป็นของแปลกใจขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตเขรีบเก็บพระธาตุเท่านั้นหอสายสำลีใส่พระอบติดตัวไว้นับได้จำนวนดังนี้คือพระสารีบุตรสามองค์พระจิมพีสามองค์พระโมคคลาสององค์พระประมธาตุเจ็ดองค์เป็นสสแก้ผลึกสดำ สีดำเจอเรลืองแก่แต่ที่แม่แม่ขอมเคยเอามาถวายไปนั้นเป็นสีมุกดาหารจึงได้ถือติดตัวไปพักเหนือด้วยแ่อยะหลังจากนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอสงวไว้ก่อนยังไม่ขอเปิดเผยเวลาจุนขปนสาได้ออกเดินทางไปพักที่อำเภอแม่ริมตั้งากจะเดินทางเข้า่าลึกและได้ออกเดินทางจากอำเภอแม่ริมถึงบ้านป่าตึงใช้เวลาหนึ่งวัน ต่ัจากนั้นได้เดินทางเข้าดงลึกไม่มีบ้านคนเลยขึ้นเขาลงห้วยเข้าไปในดงใหญ่ไปถึงที่นั่นบ่ายราวไม่เกินสี่มงเยนสถานทีน่นี้มีลูกศิษย์เคยเป็นจัมปันสาปีนั้นได้จัมปันษาอยู่ที่นั่นเป็นหมู่บ้านยางและกะเลียงมีประมาณหกเจ็ดหัังคาเรือนไม่มีที่ราบมีแต่ภูเขาตรงนั้นที่พักเป็นชานขาลูเตหางบ้านประมาณยี่สิบเส้น มีทางน้ำไหลอากาศหนาวจัดทั้งคลางวันและกลางคืนได้เดินทางไปถึงเป็นวันส4ข้่คำเดือนแปดพอถึงวันอธิษฐานเข้าพรรษาก็มีอาการเริ่มป่วยเป็นไข้ในสถานที่นี้กันดาลที่สุดชาวบ้านเป็นคนป่าคนดงอาหารเป็นพื้นในภาษานีมีเกลือพริกและข้าวเท่านั้นเนื้อและของขาวไม่มีใครในิยมกิน ในระหว่างจะศีลาเดือนแปดข้างแดมมีอาการปวยหนักบางวันเกือบหมดความรู้สึกตัวคนหนึ่งตอนเช้ามืดลุกขึ้นจะไปบินธบัตก็ไปไม่รอดมีอาการเป็นลมเวียนศีรษะหนาวจัดตัวสันกระท o b o อยู่คนเดียวลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยก็ไปบินธบัตหมดพอรู้สึกอย่างนี้จึงได้ไปย่างไฟรู้สึกเขายัางชั่วขึ้นได้ทรมานอยู่อย่างนี้เรื่อยมา ข้าวก็ะฉันไม่ได้ในภาสานี้สามเดือนฉันจังหันนับไว้วันหนึ่งไม่เกินสิบคำบางวันไม่ฉันเลยแต่รู้สึกกายเบาใจเบาจิต ด, ดีไม่หวั่นต่อ า, าการเจ็บอาการเจ็บปวยก็เริ่มหนักเข้ามาระหว่างเดินข้าวขึ้นเจ็ดมืีอาการไข้หนักมึนชาไปทั้งตัวเป็นลมเกิดสงสัยในชีวิตของตนจึงได้ลุกขึ้นเอาผ้าอังสาดคาด ขอพระรมธาตุในพระอบและวางไว้บนที่สูงทั้งอธิษฐานว่าถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ปรากฏถ้าชีวิตจะตายขอให้หายสูญไปให้หมดแล้วก็เข้าที่นอนสงบจิตพอรุ่งสว่างก็ได้เห็นพระอบพระธาตุกับอังศักจักระชจ า, ชายเป็นคนอธิะทางแต่แม้ปรากฏว่าพระบรมธาตุสูญหายยังคงตกเล ร, ราอยู่ในที่บูชา ก็นึกว่าคงไม่ตายในปีนี้คงมีอาการเจ็บต่อไปอยู่มาวันหนึ่งมันนึกถึงอารมณ์เก่าๆที่ได้ผ่านมารู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายจึงตั้งใจว่าเราอยากได้สมบัติดีๆไปใช้สอยข้างหน้าถ้าไม่สำเร็จไม่อยากออกจากป่าหนึ่งขอให้สำเร็จในทางอิตกลิตถ้าไม่เป็นไปได้ขอให้ถึงที่สุดภายในเจ็ดวัน แหนชีวิตจะเส้นภายในเจวันก็ขอถวายสองสถานที่ใดเป็นที่สงัดพักผ่อนได้อย่างดีเขาให้เจ้าป่าผีดงมาชักจูงให้ไปอยู่ที่นั้นให้จงได้เมื่อได้อธิษฐานเสร็จแล้วก็ได้นั่งสมาธิปรากฏนิมิตมีแสงสว่างเป็นถ้าทะลุเ ข, ขาขาดนิดในใจว่าถ้าเราไปในช่องนี้ของทะลุพอรูกว่าเราจะไปเดีย๋ยนี้ก็เกิดลมจัดตัวไหว เจ็งต้องเอามือคว้าเสากระเตอบก็เลยหยุดอยู่แค่นี้ต่อจากนั้นการปา่วยก็ทุเราโดยลําดับให้เวลากลางวันได้พาสิทธิ์คนหนึ่งไปหาฟืนก่อเต่าเพื่อเผาถ่านเพื่อจะได้อบบุ่นในเวลากลางคืนวันหลังเด็กพูดว่าคนป่วยพากันไปหาฟืนนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีคนโบราณถือว่าหาฟืนมาเพื่อเผาตัวเองด้วยกรณนั้นชื่อเต็งเป็นคนบ้าบ้าบาบา เราฟังแล้วก็ไม่ติดใจหรือสนใจเล็กชายเต่งพูดว่าผมลำบากทุกวันมีแต่ผีมาดึงแค้งดึงขาไม่ให้นอนเราก็ไม่สนใจยิ่มาวันหนึ่งเวลาเดึกสงัดอาการป่วยก็หนักได้ ก, กออไฟถ่านไว้ล้อมรอบตัวพอหลับเคลิ้มไปครู่หนึ่งมีหญิงคนหนึ่งแต่งขายสีขาวมีเด็กสองคนเป็นหญิงถือธงขาวเขียนหนังสือเป็นแถวยาว ภาษาจีนได้เดินเข้ามาใกล้แล้วพูดว่าท่านเป็นราชนีแห่งเทพท่านมาอยู่นี่จะให้ท่านไหว้เราไม่ยอมไหว้เพราะเราถือว่าเราเป็นพระเขาก็ให้ไหว้พูดกันหลายคําเราก็ไม่ยอมไหว้เขาก็ลงไปจากกระต๊อบเดินขึ้นเขาหายไปนีคือวันนั้นทําจิตภาวนาสบายดีตลอดอยู่มาอีกวันหนึง่ง เดือนสิบแปมสิบสองคำในลักลางวันตอนช้ามืดเกิดลมกำเริบหน้ามืดเวียนสิสักไม่สามารถลงไปที่ทุนได้ข้าวก็ไม่ชันพอตกสายบ่ายลาวหนึ่งโมงลุกนั่งตรงหน้าทางกระต๊อบที่ปลูกอยู่เชิงเขาตรงหน้าตางเป็นห้วยมีน้ำไหลไตทถุนรอบๆกระต๊อบเรียนสะอาดรปัดควาดทุกวันในวันนั้นปรากฏการเกิดขึ้นได้อย่าง หนึ่งรู้สึกเหม็นของสโกโรคซึ่งไม่เคยเหม็นมาแต่ก่อนสองมีมแมลงวันเขียวตัวใหญ่บินมาเกาะตรงหน้ามีกลิ่นเหม็นจึงนึกว่าเราจะตายกันังนั่งสมาธิจนกระทั่งมแมลงวันบินหนีไปกลิ่นเหม็นก็สูญไปตอนนี้ชักสงสัยในชีวิตจึงอธิษฐานในจิตว่าถ้าจะตายจริงขอให้ปรากฏการโดยชัดแจ้งถ้าวาสนาบา ร, รมียังทำประโยชน์ได้ ขอให้ปรากฏเหตุการณ์พออธิษฐานแล้วก็นั่งสำรวมจิตหันไปทางทิศตะวันตกตรงช่องหน้าต่างครูหนึ่งมีนกเขาบินมาสองตัวตัวผู้บินมาทางใต้เสียงดังวับลงยืนตรงหน้าต่างอีกสักครูหนึ่งมีตัวเมียบินมาทางเหนือแล้วก็พือปีกขันคูใส่กันแสดงท่าเบิกบานท่าหารอีกครูหนึ่งหมอกเมฆที่เคยปกคลุม ได้สว่างมีแดดจ้านับตั้งแต่วันอยู่จำมันสา ม, มารวันหนึ่งจะเห็นแสง แ, แดดได้ไม่ถึงส0นาทีตลอดเวลาสามเดือนมืดมีหมอกปิดบังอยู่เป็นนิดแต่วันนั้นแสงแดด ส, สองแสงสว่างสวยน ก, กร้องสนันบันไหวใจก็เบิกบานเลยนึกว่าเราไม่ตายตรัมาเวลากลางคืนวันหนึ่งจนออกพรรษาในออกไปเดินจงครมทางทติศใต้ที่พัก มีนิมิตปรากฏขึ้นเห็นตนเองกับช้างตัวหนึ่งซึ่งจมอยู่ในน้ำพลิกตัวไปมาบางคราวเราอยู่บนเขาอยู่ล่างเราอยู่ล่างเขาอยู่บนครู่หนึ่งได้ปรากฏการอีกอย่างหนึ่งนิมิตได้มีแท่นธรรมารอยมาในอากาศสูงสามวาสีแดงเรือปูพายกสังเกตเป็นผ้าอินเดียคายว่าขอให้ท่านขึ้นนั่งบนธรรมาร ท่านปรารถนาอย่างไรจะสําเร็จแต่ไม่มีคนกล่าคิกว่าเรื่องหลอกหลวงไม่เกี่ยวแต่ภาพนั้นก็สูญหายไปต่อมาใกล้เวลาจะออกพรรษาเป็นทีได้ไปหัดเดินตามเชิงเขารู้สึกว่าเหนื่อยเป็นลมหูอื้อหน้ามืดถ้าเป็นอย่างนี้ออกพรรษาแล้วก็ยังออกจากเขาไม่ได้ท้งแต่อธิษฐานว่าถ้ายังจะมีชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับมนุษอีกต่อไปขอให้ออกจากเขาได้ ถ้าจะหมดการเกี่ยวข้องจะได้เขียนหนังสือลาอยู่มาเดือนสิบเอ็ดแรมหนึ่งค่ำออกปรรษารู้สึกว่าอาการป่วยหายหรือไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซนลุกขึ้นแหลมสองค่ำเดือนสิบเอ็ดโยมชาวบ้านตาได้จัดหาข้าวของมาส่งพร้อมด้วยร้องไห้ยอย่างน่าสงสารยิ่งใ น, นสถานที่นี้หนาวจัดแม้แต่เกลือในกระบอกถ้าปิดไมแ น, น่นก็ละลายเป็นน้หมดอาหารที่ฉันในพรรตนี้ เป็นอาหารชาวป่าขึ้นหน่ อ, อไม้ใบบอลรากบอนต้มให้เล็ด ก, กวนให้เหลวเอาเกลือใส่ข้าวใส่ให้กินหนูตจำใส่ทั้งก้านทั้งใบเอาลงกวนในหม้อกแกงกินอย่างนี้ตามภาษาพื้นบ้านของเขาตั้งแต่บวชมาในชีวิตเรื่องอาหารภาษานีเป็นยอดความกันดานริกก็แปลกแวบบละกืนลงเผ็ดถึงลำไส้แต่ดูร่างกายชาวบ้านอ้วนใหญ่โต คนป่านึกว่าจะดำปีกลายเป็นคนขาวอ้วนมีวัฒนธรรมดีน่าเรื่มใสคือไม่มีการทะเลาะไม่เอะอะเสียงดังในหมู่บ้านไม่ยอมใช้ของในตลาดโดยมากใช้ของที่ทำกันเองทำไร่เป็นอาชีเพเราไม่มีพื้นที่แผ่นดินรา้ออกพรรษาแล้วได้เดินทางกลับแม่ลิมอาการป่วยก็มีหัวใจเต้นผิดธรรมดาได้มาพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่ โยมผู้มีอุปการะส่งข้าวของจากเชียงใหม่ไปถวายในป่า น, นานๆครั้งหนึ่งคนที่สนใจเป็นห่วงมากที่สุดคือคุณนายชูศรีแม่แก้วรุน่นเมื่อกลับมาถึงเชียงใหม่เขาได้หายาหอมอยาลมไปถวายได้พักอยู่ที่วัดสันติธรรมพอสมควรแล้วได้เดินทางมาพักจังหวัดลำปางไปพักอยู่ที่ท้ำพะสบายมีลุกสิษย์จรมสาที่นั่น เมื่อมาพักตนนี้มีอารมณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นว่าต่อไปข้างหน้านี้เราต้องไปกรุงเทพสมเด็จพระพาทนะเราจำเป็นต้องอยู่ใจหนึ่งก็ไม่อยากกลับอยู่มาคืนหนึ่งได้อธิษฐานว่าเราจะกลับไปกรุงเทพหรือจะไปไหนนั่งสมาธิจนสว่างราตรีสี่รู้สึกตัวว่าศาารีรษะขาดแต่ใจสว่างสวยัยไม่กลัว่อจากนั้นอาการป่วยหายเกือบหมด ได้ออกเดินทางกับกรุงเทพพากทีวัดบ ร, รมนิวาสขณะนั้นสมเด็จอาพาธมากจึงสั่งว่าท่านต้องอยู่กับเราจนตายถ้าเราไม่ตายนีไม่ได้จะมาเฝ้าหรือไม่เฝ้าปฏิบัติก็ตามเขาให้รู้ว่าอยู่กับเราในที่สุดเราก็รับปากว่าจะอยู่ปฏิบัติบางข่าวนึกว่าเรามีกรรมอะไรจึงต้องถูกกักขังอย่างนี้ก็รู้สึกถึงคำเก่าที่ผ่านมาคือขังนกเขา ที่ได้เคยเคิมฝันไปในคราวอยู่จังหวัดจันทบุรีเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องอยู่เมื่อตั้งใจจะอยู่เช่นั้นแล้วสมเด็จเขาให้ขึ้นไปฝึกนั่งสมาธิให้ท่านทุกวันได้แะในะให้ท่านปฏิบัติทางอนาปาร์ได้สนทนาการหลายเรื่องในขณะที่นั่งอยู่อยู่มาวันหนึ่งท่านบอกว่าการ น, นั่งสมาธิเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีประโยชน์อย่างนี้แต่เราไม่เข้าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่า การทำจิตให้เข้าสุภวังเป็นสมาธินี้มิใช่ตัวพบตัวชาติหรือเราได้กราบเปลี่ยนถวายว่าแต่เรามีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าการทําทจิตให้เข้าสุภวังเป็นสมาธินี้มิใช่ตัวพบตัวชาติหรือเราได้กราบเปลี่ยนถวายว่าสมาธิคือตัวพบตัวชาตินั่นเองท่านจึงถามขึ้นอีกว่า ธรรมะที่สอนให้ปฏิบัตินั้นก็เพื่อทำลายภพชาติแต่ทำไมเรากลับมาเป็นผู้สร้างภพชาติจึงได้ตอบทันว่าถ้าไม่ทำจิตให้เป็นภพสกนตก็จะไม่มีวิชาเพราะวิชาเกิดขึ้นจากภพจึงจะทำลายพบได้นี่คือภพบน้อยเรียกว่าอุปติกะภพกำเนิดขึ้นในชั่วขณะจิตส่วนชาติก็เช่นเดียวกัน การทําจิตให้สงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นในดงจิตในโชคขณะยาวๆอันนั้นเรียกว่าชาเช่นเรานั่งสมาธิสงบเป็นนานๆจนเป็นฌานมีองค์ประกอบขึ้นถึงห้าอย่างอันนั้นคือฌานถ้าไม่ทําจิตให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีวิชาความรู้อันใดเกิดขึ้นในตัวเมื่อวิชาเกิดขึ้นไม่ได้จะเป็นละอาวิชาได้อย่างไรก็เป็นของยาก นักศึกษาธรรมะโดยมากกล่าวเินว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่มากมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็คิดจะหากหานทำลายล้างไปเลยความคิดเห็นฉนั้นกล่าวเห็นว่าไม่ถูกเปรียบเหมือนคนกินไข่ไก่บางคนอาจไม่รู้จักตักไข่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ขาดวิชาพอได้ไข่มาก็จะทุบ ก, กินเสียหมดถ้าคนนั้นเข้าใจวิธีฝักไข่สมมติว่าได้ไข่มาสิบฟอง กินเสียห้าฟองเอาไปฟักให้เป็นตัวไก่เสียห้าฟองถ้าหากมันเกิดเป็นลูกไก่ขณะที่ฟักอยู่นั้นเปียกเหมือนพงขณะที่ลูกไก่พ้นจากเปลือกไข่เรียกประชาถ้าลูกไก่ออกจากไข่ได้ห้าตัวต่อไปหลายๆปีเขา้าเขาก็เห็นว่าคนที่เคยซื้อไข่ไข่มาบริโภคจะต้องได้ประโยชน์จากไก่ของเขาได้กินไข่โดยไม่ต้องซื้อ เมื่อเหลือกินก็ได้ขายเป็นสินค้าลักษณะเช่นนี้คนนั้นก็รอดตัวในการใช้จ่ายฉันใดในการบำเพ็ญสมาธิก็ฉะ น, นั้นผู้ที่จะพ้นจากภพก็ต้องเข้าไปอยู่ในภพผู้ที่จะพ้นจากชาติต้องรู้เรื่องเกิดของตัวจึงจะเป็นไปได้เมื่อได้กล่าวเปลี่ยนท่านอย่างนี้ท่านก็เข้าใจแสดงความเลื่อมใสประโมทเป็นอย่างยิ่งท่านจึงได้พูดว่า คำพูดของคุณแตกจากพระกรรมทานองค์อื่นพูดแล้วไม้เราจะทำไม่ได้ไม่ถึงก็เข้าใจได้ชัดแจ้งไม่สงสัยพระอาจารย์มัน่นพระอาจารย์เสาที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเราเราก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนคุณมาอยู่กับเราเรารู้สึกมีสิ่งแปลกใจหลายอย่างขณะนั่งนอกจากนั้นรู้สึกว่าท่านสนใจนั่งสมาธิแดนน่นานๆบางวันนั่งได้ทั้งองชั่วโมง ขณะที่ท่านนั่งท่านได้เราพูดธรรมะให้ฟังประกอบไปด้วยเมื่อจิตของท่านได้ตั้งสงบดีแล้วเราพูดธรรมะถวายพระเดชพระคุณท่านรู้สึกว่าจิตของท่านเป็นไปนตามคำพูดของเราวันหนึ่งท่านได้พูดกันว่าเราได้บวชมาเป็นเวลานา น, านไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้เลยหลังจากนี้เราไม่เคยพูดธรรมะให้ท่านฟังยืดยาวอย่างนี้อีกเลย พระเอ่ยขึ้นเพียงสองคำคำท่านก็รู้ในความหมายชนตัวเราก็ดีใจวันหนึ่งท่านได้กล่าวขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่านักศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะต่างมาติดข้องกันอยู่แค่ความคิดเห็นนี้เองจึงไม่สามารถทําอะไรให้สําเร็จหรลุ้มไปได้ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นถูกต้องการปฏิบัตินั้นเป็นเหตุไม่เหลือวิสัย ในระหว่างที่อยู่จำมาัสาขับท่านก็รู้สึกว่าเบาใจในการที่จะต้องชี้แจงเหตุผลท่านได้บอกกระว่าแต่ก่อนเราไม่เคยนึกว่าการทำสมาธิเป็นของจำเป็นเมื่อเป็นเจนี้ท่านได้รับสั่งอีกว่าคราบเนียงก็ดีชาตโยมก็ดีประโยชน์ยังไม่พอขอให้คุณช่วยหาโอกาสอบรมให้ด้วยนอกจากนั้นท่านได้สั่งพระเถระผู้ใหญ่ในวัด ให้ทราบความประสงค์จึงได้เกิดมีการอบรมกันขึ้นที่สาราอุรุคงในปีพศ2495ได้มีญาติโยมพระนีนหลายวัดมาร่วมรับการอบรมด้วยคุณเท้าสัตยานุรักษ์ก็ได้มาพักอยู่บังกุติเน่ค้ำปฏิบัติจิตใจได้ผลดีมีความรู้เกิดในจิตแปลกประหลาดจนทั่งยอมเสียชีวิตอยู่ที่วัดปรมณีวั พกพรรษาแล้วได้ราท่านไปเที่ยวต่างจังหวัดเพราะอาการของสมเด็จค่อยๆเราลงกลับมาอยู่วัดบ ร, รมในปีที่สองได้เข้ามาทําวิสาขบูชาในวันนั้นได้เป็นไนั่งในโบสถ์ทำสมาธิได้ปรากฏเหตุการณ์อีกคือเห็นพระพรมธาตเสด็จเพราะคืนนั้นได้นึกว่าเราตาลูกเล็กอยากได้ตาโตๆมองทางไกลๆได้เห็นเส้นพันวาหูเราเล็ก อยากได้หูโตโตฟังได้รอบโลกปากเตาเล็กอยากได้คว้างเทศกันเดียวให้กล้องอยู่ห้าวันห้าคืนนึกอย่างนี้จึงตั้งใจปฏิบัติตนเองในอาการสามอย่างคือหนึ่งปากใหญ่คืออยา ก, กินมากพูดมากในวันสำคัญสองหูอยากโตคืออย่าไปสนใจฟังเรื่องรลวที่ไม่เป็นสาระตัดปากอดข้าวตัดหูอย่าไปรับรู้อะไรหมด 3. าตาโตคือจะเห็นแก่นอนเมื่อนึนกอย่างนี้จะไม่ยอมนอนในวันวิสาขะประมาณตีห้าเศษได้พระประมธาธาตุหลายองค์ที่โบสถ์วัดปรมนิวาส ต, <อ>ต่อมาได้อยู่จ้ามือสาขาบสมเด็จอีกปีนิยาโ จ, จมแต่ตื่นสนใจมากกว่าปีก่อนแต่ปรากฏมีเหตุไม่ดีเขาแทรกเพราะมีพระบางองค์เกิดอิจฉาคอยหาเรื่องราวตัดรอน ทำร้ายในเสือมเสียแต่ไม่อยากออกนามในทีน่นี้ใครอยากทราบรายละเอียดเขาให้ติดตามไปถามท้าวสัตยานุรักษ์หรือสมเด็จ